พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึง่งเป็นวันที่เราจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เป็นมิตรกับเราเพราะว่าเวลานี้เป็นได้ทั้งมิตรและเป็นได้ทั้งศัตรูของพวกเรา ถ้าเราปล่อยให้เวลาผ่านไปผ่านไปโดยไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับเราเราก็จะปล่อยให้เวลามาทำลายเราเพราะเวลานี่แหละจะเป็นสิ่งที่คืนเกินสปปรรพสิ่งสปปรรพสัตว์สปปรรพบุคคลทั้งหลายให้หมดไป เวลานี้เป็นเหมือนกับงูที่เขมือเยือ <c oughs> <c oughs> จะเขมือเยือเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยจนในที่สุดเยือก็จะถูกงูนี้เขมือเข้าไปในท้องหมดเลยชีวิตของพวกเราทุกคน ก็กำลังถูกงูคือเวลาหอยเขมือชีวิตของเราเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยและไม่นานชีวิตของพวกเราก็จะศูนย์หมดไปในขณะที่เรายังมีโอกาสมีเวลา ที่จะทำอะไรได้อยู่ถ้าเราไม่ช่วยไม่ตักตวงโอกาสอันนี้มาทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราเราก็จะสูญเสียโอกาสอันดีงามนี้ไป เพราะโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมงันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ยากโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งที่ยากและผลที่จะได้รับจากการ เกเป็นมนุษย์จากการได้พบกับพระพุทธศาสนาจากการที่ได้มีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริญยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกนี้ดังนั้น เราอย่าเสียเวลารื่ออย่าหลงทางกันอย่าไปหลงกับการแสวงหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสารเสริญความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิก่นรสปุถัมภ์ของเหล่านี้เป็นของที่ จะต้องหมดไปเมื่อเวลาได้เกินกินชีวิตของเราไปแล้วเราก็จะต้องไปแบบไม่มีอะไรติดตัวไปไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็จะถูกเวลาเกินกินไปหมดอีกเป็นรอบรอบไปไม่มีวันจบสิน้น ถ้าเราไม่เอาเวลาที่มีคุณค่านี้มาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสอนให้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินี้จะเป็นการสร้างทรัพย์ที่แท้จริงให้กับตัวเราหรือใจของเรา จะสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรให้กับเราสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะนี้จะให้ความสุขเราเพียงชั่วคราวแล้วก็จะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่ความสุขเหล่านั้นได้เสื่อมไป ได้หมดไปจะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราต้องแสวงหาความสุขใหม่แต่ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเราก็จะได้ความสุขที่ถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอด หลังจากที่เวลาได้กลืนกินชีวิตคือร่างกายของเราไปแล้วแต่ใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เวลาไม่สามารถเืินกินได้และความสุขรู้รับที่แท้จริงที่เราได้สร้างขึ้นมาภายในใจของเราก็จะไม่ถูกเกืนกินหายไปหมดด้วย จะอยู่กับเราไปตลอดเพราะใจของเรานี้เรียกว่าเป็นอากาลิโกอยู่เหนือการเวลาเวลาไม่สามารถที่จะเข้ามาแตะต้องใจของพวกเราได้เวลาจะแตะต้องได้ก็เพียงแต่ร่างกายของพวกเราและราบยดสรรเสริญ และรูปเสียงกลิ่นรสพลทธภาที่พวกเราได้แสวงหามาเป็นสมบัติกันเวลาจะกืนกินสิ่งเหล่านี้ไปจนหมดสิ้นดังนั้นเราอย่าเสียเวลาอย่าหลงกับการหาความสุขปลอมหาสรับปลอมกัน ขอให้เรามาหาความสุขแท้ความสุขจริงกันหาทรัพทแทหาทรัพจริงกัน <c oughs> ด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือขอให้เรามาทำทานกันอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องขอให้พวกเรา มารักษาศีลกันอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องขอให้พวกเรามาภาวนากันอย่างต่อเนื่องอย่าไปเสียเวลากับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลล่นกายนี่แหละ คือการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก่อนที่เวลาจะมาเกืนกินชีวิตของเราไปขอให้เราได้ตักตวงทรัพย์สมบัติที่แท้จริงได้ตักตวงความสุขที่แท้จริงไว้กับใจของเราก่อนพอเราได้ทรัพย์สมบัติได้ความสุขที่แท้จริงแล้ว การกลืนกินของเวลานี้จะไม่เป็นปัญหากับเราเลยเราพร้อมที่จะให้เวลากลืนกินชีวิตของเราได้ทุกเวลานาทีเพราะเราไม่มีอะไรที่จะต้องสูญเสียนั่นเองเพราะเราไม่ได้แสวงหาสิ่งที่เราจะต้องสูญเสียกันคือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโพธพิภพ เรามีทานเรามีศีลเรามีสมาธิเรามีปัญญาที่เวลาไม่สามารถเกลื่นเกิ่นไปได้เรามีวิมุตติเรามีมรรคผลนิพพานมีโสบาโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกิดาคามีมรคสกิดาคามีผลอนาคามีมรค อนาคามีผลอรหัตตมักอรหัตตะผลและนิพพานอันนี้แหละเป็นสมบัติที่แท้จริงที่จะอยู่เหนือการเวลาการเวลานี้ไม่สามารถที่จะเกืนกินทำเหล่านี้ไปได้ถ้าเราทำทานจิตติดไปเป็นนิสัย ทานนี้ก็จะติดไปกับใจของเราถ้าเรายังไม่ถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดทุกภพทุกชาติที่เราจะเกิดนี้เราจะเกิดด้วยทานจะมีทานอยู่คู่กับใจของเราเราจะชอบทาบุญทาทานถ้าเรารักษาศีลจนติดเป็นนิสัยไปกับเราได้ ทุกภพทุกชาติเราก็จะรักษาศีลเวลาที่เราได้ไปเกิดใหม่ถ้าเรานั่งสมาธิได้เจริญปัญญาได้ภาวนาได้เราก็จะบำเพ็ญจิตภาวนานั่งสมาธิเจริญปัญญาไปทุกภพทุกชาติจนกว่าเราจะ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปและพบชาติของเราก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับด้วยอำนาจของทานศีลภาวานานี่แหละนี่แหละคือกิจของเรากิจที่เราเพิ่มกระทำอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้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 ่การยังประโยชน์ก็คือการทำกิจกรรมที่พู้เจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันขอให้เราทำทานกันให้มากๆรักษาศีลกันให้มากๆภาวนากันให้มากๆแล้วเราก็จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐก็คือมรรคผลนิพพานนี่เองมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่ง ดังนั้นเราควรที่จะคอยสอดส่องดูการกระทําของเราอยู่อย่างต่อเนื่องว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทําอะไรกันอยู่เรากำลังทำทานกันหรือเปล่ากำลังรักษาศีลกันหรือเปล่ากำลังภาวนากันหรือเปล่าเรากำลัง <c oughs> ทำอย่างอื่นหรือเปล่า เรากำลังหาเงินหาทองหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หรือเปล่าถ้าเราหาเราก็ควรที่จะหยุดหาได้แล้วถ้าจะหาก็หาเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพถ้าเรายัางไม่มีทรัพย์พอที่จะเลี้ยงดู ร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่เราก็หาทรัพย์มาเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายของเราแต่เราจะไม่หามามากจนเกินต่อความต้องการของร่างกายเราจะไม่ไปหา ย, ยดถาบรรดาศักดิ์เราจะไม่ไปหาสรรเสริญการยกย่องเยินยอ เราจะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราจะมาหาความสุขทางใจกันด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาถ้าเราหมั่นสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเราทุกวันทุกเวลา เราจะได้ไม่หลงทางกันเหมือนกับถ้าเราคอยเปิดแผนที่ดูเวลาที่เราเดินทางไปในทางที่เราไม่เคยไปทุกครั้งที่เรามาเจอสี่แยกทางเลี้ยวเราก็เปิดแผนที่ดูว่าเราต้องไปทางไหนถ้าเราไม่เปิดเราอาจจะเลี้ยวผิดทางไป แล้วแทนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเราจะไปไม่ถึงเราจะต้องเสียเวลาวกกลับมาใหม่มาเริ่มต้นใหม่หรือบางทีเราอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรากำลังไปผิดทางอย่างนี้ยิ่งยากต่อการกลับมาสู่ทางที่ถูกได้อย่างคนที่ไม่เคย ฝังเทศฝังธรรม <c oughs> ไม่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า <อ het. S 1> จะไม่รู้เลยว่าภารกิจของตนที่เป็นประโยชน์กับตนอย่างแท้จริงนั้นเป็นอะไรก็จะหลงคิดว่าสิ่งที่ควรจะหากันในโลกนี้ <c oughs> ก็คือลาบยศสรรเสริญหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นี้จะทุ่มเตชีวิตจิตใจให้กับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายโดยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องสูญเสีย สิ่งต่างๆที่หามาได้นี้ไปหมดเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นร่างกายเขาเป็นใจเขาคิดว่าเขาเป็นร่างกายพอ ร, ร่างกายนี้ตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดตัวเขาเองก็หมดไปกับร่างกาย จึงทำให้เขาต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขทางเดียวที่เขาสามารถจับต้องได้เห็นได้เพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสจับต้องกับความสุขทางใจนั่นเองแต่สำหรับผู้ที่มี อดีตที่ดีที่ผ่านมาคือในอดีตชาติต่างๆได้มีโอกาสทำบุญทำทานได้มีโอกาสรักษาศีลได้มีโอกาสภาวนาได้มีโอกาสได้สัมผัสกับความสุขทางใจพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่มีบุญ อย่างที่ในมงคลสูตรที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าการได้ทาบุญมาในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เรานี่ได้สัมผัสกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขทางใจแล้วก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้มา สร้างความสุขทางใจต่อไปถ้าเราไม่เคยได้สัมผัสรับรู้กับความสุขทางใจไม่รู้ว่าการทำบุญให้ทานนี้ให้ความสุขกับเราไม่รู้ว่าการรักษาศีลให้ความสุขกับเราไม่รู้ว่าการภาวนาให้ความสุขกับเราเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจ ให้กับการแสวงหาราบยศสรรเสริญแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายโดยที่ไม่ใช้ปัญญาพิเนตพิจารณาเลยว่าเป็นความสุขอย่างไรถ้าใช้ปัญญาพิเนตพิจารณาก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นความสุขของการเสพยาเสพติดดีๆนี่เองของความสุขที่ ได้จากการเสพยาเสพติดความสุขที่ได้จากการเสพสุรายาเมาความสุขที่ไดจากการเดิมจากการสูบบุหรี่เป็นต้นนี่แหละคือความสุขที่พวกเราหากันผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่เราจะต้องคอยเตินอยู่เรื่อย ถ้าดื่มสุราก็ต้องดื่มอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้ดื่มสุราเวลานั้นก็จะเกิดความทุรนทรายความทรมานใจเวลาที่ไม่ได้เสพยาเสพติดเวลาที่ไม่ได้สูบบุหรี่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นกันชัดๆแต่ตัวอย่างที่พวกเรามองไม่ค่อยเห็นกันก็คือ การเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะในรูปแบบอื่นเช่นการดืม่มเครื่องดืม่มที่มีรสชาติมีสีสันมีกลิ่นที่ทําให้เกิดความถุกข์กถูกใจความพอใจเช่นการดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มสารพัดยี่ห้อพอดื่มแล้วเป็นอย่างไรดื่มถ้วยเดียวพอหรือไม่ แล้วต้องดื่มต่อไปเวลาไม่ได้ดื่มก็ต้องไปหามาดื่มให้ได้เพราะเวลาเกิดความอยากดื่มแล้วไม่ได้ดื่มนี้จะทุกข์ทรมานใจและแทนที่จะแก้ด้วยการหยุดดื่มเพราะว่าการหยุดดื่มนี่แหละจะทำให้ความทุกข์ทรมานใจหายไปอย่างถาวรหลังจากที่เราฝืน ต่อสู้กับความอยากดื่มพอถ้าเราฝืนไปเรื่อยๆต่อไปความอยากดื่มเครื่องดื่มชนิดนั้นชนิดนี้ก็จะหายไปหมดไปเราก็ไม่ต้องดื่มอีกต่อไปเช่นคนที่ไม่ดื่มสุราเขาไม่เดือดร้อนเวลาที่มีสุราหรือไม่มีสุราให้ดื่ม คนที่ไม่สูบบุหรี่เขาจะไม่เดือดร้อนกับการมีบุหรี่หรือไม่มีบุหรี่ให้สูบเช่นเดียวกับคนที่ไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีคู่ครองเขาก็จะไม่เดือดร้อน <c oughs> เวลามีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองมีสามีมีภรรยาหรือไม่มี เขอยู่ได้เพราะเขาไม่ได้มีความอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีคู่ครองอยากมีความสุขทางตาหูจมูกยิ้นกายคนพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะมีความสุขทางใจกันเป็นเป็นสิ่งทดแทนเช่นในความสุขจากการทําบุญทําทานทําประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นเช่นคนทำงานเกี่ยวกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆหรือพวกที่ <c oughs> ทำบุญไปวัดเขาก็จะมีความสุขอีกแบบหนึง่งหรือพวกที่รักษาสีลได้เขาก็จะอยู่อย่างมีความสุขอีกแบบหนึง่ง หรือพวกที่ภาวนาได้ทำใจให้สงบได้มีปัญญาเห็นโทษของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> เขาก็อยู่อย่างมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสโภชนาไม่ต้องแสวงหาราบยศสรรเสริญอันนี้แหละ คือการเห็นโทษของความสุขทางร่างกายความเห็นว่าร่างความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีความทุกข์ตามมาโดยเฉพาะในบ้านปลายของชีวิตเมื่อร่างกายนี้แก่ลงไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลานั้น การหาความสุขผ่านทางร่างกายก็จะเป็นไปได้อย่างลำบากยากเย็นพอไม่ได้หาความสุขผ่านทางร่างกายใจที่ยังมีความอยากมีความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ก็จะต้องมีความรู้สึกทุกข์ทรมานใจ ว, ว้าเหวเศร้าซ้อยหน่อยเหงานี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะ พิจารณากันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่เราเกิดกามาตัณหากันเวลาที่เราเกิดภาวะตัณหากันเวลาที่เราเกิดวิภาวะตัณหากันขอให้เราพิจารณาว่าการกระทําตามตัณหาทั้งสามนี้เป็นการเติมเชื้อของความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ภายในใจนี้น้อยลงไปถ้าเราต้องการที่จะทำให้ความทุกข์ภายในใจของเรานี้น้อยลงไปเราต้องพยายามต่อต้านต่อสู้ก็ความอยากทั้งสามรูปแบบนี้ให้ได้เวลาเกิดการมาติหาขึ้นมาก็อย่าทำตามเวลาเกิด ภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นีเนนนนน้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อย่าไป <ST AR> อยากมันอยู่ไปตามมีตามเกิด <ST AR> เวลาที่เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาอยากไม่ให้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ต้องหยุดอย่าไปอยากมันปล่อยให้มันเกิดอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัพเพ ธ, ธรรมาอนัตตานั่นเองเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุม บ, คบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความอยากของเราได้อยากไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงแต่อย่างใดอยากไปแล้วก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจไปเปล่า เป้าหมายของการปฏิบัติของเราเพื่อให้ได้รับกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจก็อยู่ที่การยุติความอยากทั้งสามนี้ด้วยการไม่กระทําตามความอยากทั้งสามนี้เวลาที่เกิดความอยากทั้งสามนี้ขึ้นมาขอให้เราใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือ ต่อสู้เพราะมีสมาธิและปัญญาเท่านั้นที่จะสามารถทำลายความอยากทั้งสามนี้ได้ถ้าปัญญาก็คือเรียกว่าภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาก็คือปัญญาที่มีสมถภาวนาเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองเราจึงเรียกว่าภาวนามายปัญญา ปัญญาระดับสุตมะยะปัญญาคือความรู้ที่เราได้รับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่สามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้เพียงแต่บอกเตือนเราให้รู้ว่านี่คื อ, อตัวปัญหาเหมือนกับเราขับรถไปจะมีป้ายบอกเราว่าทางโค้ง ต้องชะลอหยุดลถให้ช้าลงไปแต่ถ้ารถไม่มีเบรกชะลอไม่ได้พอถึงเข้าทางโค้งรถก็จะหักโค้งไปฉัในใดสูดตรตรมายปัญญาและจินตามรมยปัญญาก็เป็นเหมือนกับป้ายบอกทางเราเตือนเราว่าข้างหน้านี้อันตรายโค้งอันตรายมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อย ต้องชะลอลถลงอย่าขับรถเร็วแต่ถ้าเรารถของเรานี้ไม่มีเบรกคชะลอไม่ได้พอมาถึงทางโค้งก็จะต้องแหกโค้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาใจของเราก็เป็นอย่างนี้ถ้าใจของเรานี้ไม่มีสติเพื่อทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิก็เป็นเหมือนรถที่ไม่มีเบรกนั่นเองพอ เข้าถึงทางโค้งก็จะหยุดไม่ได้พอเจอกามตัณหาก็หยุดไม่ได้เกเจอภาวะตัณหาก็หยุดไม่ได้เจอวิภวะตัณหาก็จะหยุดไม่ได้เช่นเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายก็จะหยุดความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้พอหยุดไม่ได้ มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจนะดังนั้นสุดสัมยาปัญญากับจินตามยปัญญานี้ไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาก็คือปัญญาที่มีมีสมรรถาภาวนาป็นผู้สนับสนุน น, นั่นเอง ตอนนี้เรามีสุตรธมยปัญญามีจินตาธรรมยปัญญาแล้วเราขาดสมถะภาวนาถ้าเรามีสมถะภาวนาเพียงแต่ฟังเทศในขณะนี้เราก็สามารถที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้แล้วอย่างที่พระพุทธเจ้าเวลาทรงแสดงทำให้แก่ผู้ฟังที่มีสมาธิอยู่แล้วเช่นพระปัญจวคีทั้งห้า ท่านเหล่านี้ได้สำเร็จได้บรรลุฌานแล้วมีสมาธิแล้วจิตเป็นหนึ่งเป็นเ อ, เนเอกภตารมสัพเพวารู้มแล้วเป็นอุเบกขาแล้วเพียงแต่ว่าท่านไม่มีป้ายบอกท่านไม่รู้ว่าอะไรคือตัวที่เป็นปัญหาพอพอตัวปัญหาเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ระหยุดมันเพราะไม่รู้ว่ามันเป็น ปัจจัยของปัญหาเหมือนกับรถที่มีเบรกมีความสามารถหยุดได้แต่ไม่มีป้ายบอกทางว่าข้างหน้าเป็นทางโค้งอันตรายก็ขับมาด้วยความเร็วสูงพอถึงเวลาเข้าโค้งก็จะหยุดไม่ได้เพราะไม่มีป้ายคอยเตือนบอกไว้ก่อนแต่พวเรานี้มีป้ายแต่เราไม่มีเบรก พวกที่เขามีเบิกแต่ไม่มีป้าก็เป็นผู้ที่มีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาก็เหมือนกันไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาพอออกจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ทําตามความอยากทันทีอยากดื่มก็แฟก็ดื่มทันทีอยากโทรสอบคุยกับคนนั้นคนนี้ก็โทรโทรกันคุยกันทันทีอยากจะดูข่าวดูทีวีดูอะไรก็ดูกันไป ดูแล้วก็ติดพอไม่ได้ดูก็จะหดหงุดหงิดใจนี่แหละคือผู้ที่มีแต่สมาธิไม่มีปัญญาก็จะติดอยู่ในขั้นสมาธิจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นวิมุติหลุดพ้นได้เพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่มีใครสอนว่าต้องต่อต้านต้องต่อสู้กับความอยากทั้งสามนี้ เวลาอยากในกามาตทันหาอยากในภาวะทันหาอยากในวิภวะทันหานี่จะต้องหยุดทันทีอย่าทำตามทันทีไม่มีใครสอนก็เลยไม่ก้าวหน้าแต่สำหรับพวกที่ฟังเทศฟังธรรมกันจนหูฉีดแต่ไม่สนใจที่จ ะ, จะเจริญสมถะภาวนากันพวกนี้ก็เป็นพวกที่มีป้ายคอยบอกตลอดทาง ่มีป้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่มีเบรกที่จะหยุดรถที่จะชะลอรถพอมาถึงทางโค้งทีไรก็แหกโค้งไปทุกทีเวลาเกิดกามตัณหาทีไรก็ทำตามทันทีเวลาเกิดภาวะตัณหาทีไรก็ทาตามทันทีอยู่ตรงนี้เบื่อไปตรงโน้นดีกว่าไปเลยี่ก็เรีแสภาวะตัณหา อยากจะดูอยากจะฟังอันนี้ก็ภาวะกามตัณหาดูทันทีฟังทันทีเดิมทันทีรับประทานทันทีเวลาเจอเสี่งที่ไม่ชอบก็เกิดวิภวตัณหาทันทีอยากจะหนีมันไปอยากจะให้มันหายไปเร็วๆจนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆเวลามันไม่หายก็ทรมานใจทุกข์ใจ ก็ไม่มนีเบรกที่จะทําใจให้เป็นอุเบกขาทําทใจดีสู้เสือถ้าใจดีสู้เสือแล้วเสือจะไม่กัดเหมือนกับหมาเวลาเราเจอหมาดุๆนี่เราทําใจดีสู้หมาไว้อยู่เฉยๆมันจะไม่กัดเราถ้าเราไปทํากิริยาอาการกลัวมันนี่มันจะกระโดดใส่เราเลยนี่คือเรื่องของปัญญา กับสมาธิต้องมีทั้งสองสว่วนปัญญาถึงจะได้กายจากจินตามยภปัญญาจากสุตตมยภปัญญามาเป็นภาวนามยภปัญญาพ อ, อเป็นภาวนามยภปัญญาแล้วความอยากกี่ชนิดกี่หมื่นกี่แสนชนิดโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะหยุดมันได้ทุกชนิดเลยเี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กันเพราะภาวนามยปัญญานี้เองเวลากามวตันหาเกิดขึ้นมาท่านก็หยุดมันได้เวลาภาวะตันหาเกิดขึ้นมาท่านก็หยุดมันได้เวลาวิภาวะนันหาเกิดขึ้นมาท่านก็หยุดมันได้ท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ปสาวกัน พวกเราก็ใกล้แล้วใกล้ที่จะได้เป็ น, น่ังแล้วขอให้เราทำสมถะภาวนาให้ได้ผลเถิดแล้วปัญญาของพวกเราที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ได้จากการพิจรนารณาอยู่นี้จะกลายเป็นภาวนามายะปัญญาไปทันทีแล้วก็จะสามารถทำลายตัณหาทั้งหมด ให้หมดไปจากใจได้ทันทีดังนั้นถ้ายังไม่มีสมถะความสงบสมถะภาวนาไม่มีสมาธิก็ต้องพยายามเจริญสติให้มากๆเพราะสตินี้เป็นเหตุที่จะทําให้จิตสงบนั่นเองจิตรวมเป็นหนึ่งเป็น เ, น เ, นเ อ, เนเอกัคตารวมได้ก็ อ, อยู่ที่การดึงใจให้อยู่กับอารมณ์เดียว เช่อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโไปอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับหรือให้ก้าวอยู่อยู่กับร่างกายให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาหรือเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นให้อยู่กับ <c oughs> ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไม่ให้คิดปรุงแต่งเรื่อยไป แล้วเวลามานั่งสมาธิใจจะรวมเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่เอกคตาลมได้สักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาได้ได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายพอมีธรรมถะแล้วพอมีตัญหาเกิดขึ้นก็ใช้ตายลักเข้ามาทำลายได้เลยให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากนี้ มันไม่เที่ยงมันจะทำให้เราต้องทุกข์ต่อไปเวลามันหมดไปเช่นบุหรี่เวลาสุรากาแฟเครื่องดื่มต่างๆถ้าเราไปดื่มมันไปเสพมันแล้วพอมันหมดเราจะทำยังไงเราจะอยู่เฉยๆได้ไหมเราจะไม่เดือดร้อนได้ไหมมันไม่ได้มันจะทุกขทันทีมันก็ต้องไปหามาเสพต่อทันที แล้วถ้าร่างกายไม่สามารถทำตามคำสั่งของใจได้จะทำอย่างไรเว้าร่างกายปกเป็นอาัมพฤกษ์อัมพาตกันหรือว่าไม่มีเงินทองที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาเสพจะทำอย่างไรมันก็ต้องทุกจนได้แต่ถ้าเราหยุดเสพเสียตั้งแต่แบบ น, นี้ไปต่อไปมันไม่มีอะไรจะเสพก็ไม่เดือดร้อนอะไร เรามีสมถะมีปัญญามีภาวนาไมายะปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังเพราะมันไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์เพราะว่าเมื่อมันหมดไปนี้มันจะไม่มีอะไรจะให้เสร็มันก็ต้องทุกข์มันเป็นอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่หมดไม่ได้ สั่งให้มันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีมากขึ้นมีน้อยลงมีหมดไปในที่สุดนี่คือการใช้ปัญญาควบคู่ไปกับสมาธิถ้าเรามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาแล้ววิมุตติก็จะเป็นผลตามมามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเป็นผลตามมา ไม่ต้องไปเรียกร้องมาเองมรซีผลสีนิพานหนึ่งไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะไปปลุกขึ้นมาลากออกมาได้เป็นสิ่งที่จะเกิดจากการมีสมถะมีวิปัสสนาภาวนาคือมีภาวนามายปัญญานี้เองใ่ก่อนที่จะมีภาวนามายปัญญาได้ก็ต้องมีสุตตมยปัญญาก่อน ต้องรู้ก่อนว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ต้องรู้ว่าเหตุของความทุกข์ก็คือกามรตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหานี่พอรู้แล้วทีนี้ก็ต้องหยุดมันถ้าหยุดมันยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีกําลังยังไม่มีสมาธิพอก็ต้องกลับไปเร่งทําสมาธิให้มีกําลังให้มากๆให้จิตสงบได้นา น, าน นั่งทีได้เป็นชั่วโมงขึ้นไปจิตสงบนิ่งสงบเป็นอุเบกขาสามแต่ว่ารู้มีความสุขไม่ได้นั่งแบบทรมาไม่ได้นั่งแบบต่อสู้กับกิเลสอย่างนั้นยังไม่ได้เรียกว่าได้ผลต้องแบบนั่งห้านาทีสิบนาทีก็นิ่งไปเป็นชั่วโมงอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิพอออกมาจากสมาธิแล้วพอเกิดความอยากก็ ถ้าปัญญาบอกว่านี่คือปัญหานี่คือตัวอาการต้องหยุดมันก็จะหยุดมันได้ทันทีเช่นอยากจะรับประทานถ้ายังไม่ถึงเวลารับประทานอะไรก็ไม่ให้มันรับประทานถ้าเรากําหนดว่าเราจะรับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งทุกของทุกอย่างที่จะผ่านเข้ามาทางปากนอกจากน้ําเปล่าเราจะให้มันเข้ามาเพียงครั้งเดียวเปิดโอกาสให้มันเข้ามา เพื่อมาดมลงดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นแล้วก็จะไม่กินไปตามความอยากกินไปตามมีตามเกิดอยากอะไรก็อยากไปกินมันในเบื้องต้นชอบอะไรก็อยากไปกินมันไปจนกว่ามันไม่มีความอยากแล้วทีนี้จะกินอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้ต้องให้คนอื่นเขาจัดให้เรากินเพราะถ้าเราจัดเองเดี๋ยวมันก็กิเลสก็แทรกเข้ามาความอยากมันก็แทรกเข้ามามก งนั้นถ้าเราอยากจะมีต้องการทําลายความอยากอย่างแท้จริงก็เวลาถึงเวลารับประทานอาหารถ้าไปล้านอาหารก็เอาอะไรมาก็ได้ไม่ไม่ไมเห็กก็มาถามพี่จะกินอะไรเอาอะไรมาก็ได้สองสามอย่างพอจัดมาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าตัดปัญหาเรื่องของความอยากไป แล้วพอเกินพอกินเสร็จแล้ววันนั้นก็หมดแล้วเรื่องกินเรื่องของที่เข้าทางปากของเคี้ยวของขบของฉันนี่ไม่เอาแล้วยกเว้นน้ำที่จะต้องคอยดื่มน้ำก็ควรจะเป็นน้ำเปล่าเ <c oughs> พราะมีอะไรเข้าไปเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเสียงกินรสอีกมันก็เป็นกามาตานหาขึ้นมาอีกแต่ถ้ามีคนก็เอามาให้เป็นกรณี พิเศษไปเช่นไม่ได้เป็นกรณีประจำวันดีเกินดีมีคนมาเยี่ยมอยู่กาแฟมาให้สักถ้วยหนึ่งอะก็ดื่มไปก็ได้อย่างนี้จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่าไปสั่งก็พี่มาบ่อยๆ อ, อย่าลืมมากาแฟมานะแต่อย่างนี้ก็ยังเป็นความอยากอยู่คือให้ของมันมาเองอย่าให้มันมาตามตามใจเราคิดถ้าเราคิดถึงมานี้สแสดงว่าเราอยากแล้ว แต่ถ้ามันมาโดยที่เราไม่ได้คิดถึงมันเอา้าคิดแต่ว่าเป็นเป็นบุญปากของเราไปวันนั้นอามาก็เดิมเขาให้มาก็เดิมแต่ก็ต้องระวังถ้าข้างหน้าเขามาแล้วก็ไม่ได้ฮิ้อะไรมาแล้วจ่ายรู้สึกดหดผูกก็แสดงว่าครั้งที่แล้วมันยังอยากอยู่ถ้ามันไม่อยากแล้วมันจะรู้สึกเฉยเฉยถ้าดีถ้าย้ายดีก็คือไม่อยากมันเลย ถึงแม้เคยชอบเคยอะไรมันมาพอเขาเขาคิ้วมาให้กินก็ไม่เอาไม่เอาไม่กินมันละเบื่อเข็ดกินแล้วเดี๋ยวกลัวจะติดมันอี่อย่างนี้จะดีกว่านี่ก็คือเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราคือใช้เวลามาทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปอย่าใช้เวลากับการไป สร้างราบยศสรรเสริญสร้างความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะต้องถูกเวลาเกินกินไปหมดในเวลาต่อไปเรามาสร้างสิ่งที่เวลาไม่สามารถแตะต้องได้ดีกว่ามาสร้างมรรคสีผลสีนิพพานแหน่งกันด้วยการทาทานด้วยการรักษาสีด้วยการภาวนากันอย่างต่อเนื่องทําขึ้นไปเรื่อยๆให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆจนให้มันเต็มร้อย ทุกขั้นตอนทานก็เต็มร้อยศีลก็เต็มร้อยภาวนาก็เต็มร้อยแล้วมากสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเต็มร้อยเช่นเดียวกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยาถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาการัง เอวเมวะยโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจตังปฏิตังตุมหังคิปาเมวะสัมมิจโตสัพเเปุเรนโตสังกะปายันโตปนะระโสยทามนิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจานโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตะวันตราโยสุขีธีคายุโกภาอภิวาทนสีริษานิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมวัฏาติอายุวันโอสุขังภาลั ขาถ่ายข้าวของก็เข้ามาไดถ้ถ้าอยู่ใกล้เครื่องขยายเสียงลำโพงมันเป็นใช้สัญญาณวิทยุถ้าเปิดมือถืออยู่ใกล้ๆแล้วสัญญาณมันจะกวนกันจะทำให้เกิดเสียงเอื้อๆขึ้นมา ทางโลกเขาก็พัฒนากันไปไกลทุกอย่างสะดวกไปหมดเลยแต่ความทุกข์ภายในใจมันไม่ได้มันไม่ได้ขดถายไปตามความเจริญของทางโลกกันแต่กลับมีความทุกข์มากขึ้นไปเพราะว่าต้องไปยึดติดกับสิ่งต่างๆมากขึ้นแทนที่จะ ยึดน้อยลงติดน้อยลงกับติดมากขึ้นพอไปติดกับสิ่งที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนั้ตามากขึ้นมันก็เลยเกิดทุกขังมากขึ้นไปถ้าอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสมถะมักน้อยสันโดษมันก็จะไม่ต้องทุกข์มากนะเช่น อ, อยู่แบบพระมีแค่อัตถะบริขารมีเพยงปัจจัยสี่ ความทุกข์ก็จะมีไม่มากเหมือนกับคนที่มีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยอำนวยความสุขอำนวยความสะดวกเพราะว่ามันเป็นเหลินสองด้านมันให้ความสะดวกให้ความสุขกับเรามันก็ให้ความทุกข์ให้ภาระกับเราเพราะเราก็ต้องดูแลรักษาเราก็ต้องดิน้ดนนนนหาเงินหาทอง มาดูแลมันมาจ่ายมันของส่วนใหญ่เราก็ซื้อแบบเงินผ่อนกันยิ่งซื้อมากก็ต้องผ่อนมากก็ต้องหาเงินกันมากหาเงินกันตัวเป็นเกลียวเงินเดือนยังไม่ทันออกเลยหมดแล้วเป็นหนี้ใหม่แล้ว <c oughs> นี่แหละคือความทุกข์ที่มันมาใน <c oughs> ในคราบของความสุข อนคลาสเทโอได้เครื่องใช้ใหม่ๆรุ่นใหม่ออกมามีอะไรออกมาซื้อมันแหลกเลยแต <c oughs> ่เวลามาผ่อนนี่มันไม่แหลกกับมัน เ, นเราแหลกมันไม่แหลก <c oughs> เราทุกเราเหนื่อยเราลำบากฉะนั้นหัดอยู่แบบเรียบง่ายดีกว่าจะสุขจะสบายกว่า จะได้ไม่ต้องดิ้นหล่นหาเงินหาทองเป็นตัวเป็นเกลียวจะได้มีเวลามาหาทรัพย์แท้เรื่องถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายนอกคือไม่มีเงินทองที่จะมาทำทานก็ตัดมันไปได้เลยผ่า น, นไปได้แือว่าเราเราผ่านข้อสอบข้อนี้ไปแล้วคือเราไม่มีทาเราก็ไม่ต้องทาเราก็มารักษาศีล <c oughs> มาบวชได้เลย เมื่อไม่มีทรัพย์แล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องหวง่วงจะอยู่เป็นคาราะไปทำไมอยู่ก็ไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาบวช ด, ดีกว่าบวชก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องไปทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราควรจะมองกันอย่าไปมองว่ามีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุข อารู่แม้ว่าเงินนี่แหละเป็นเหมือนกรงที่จะจับขังเราไว้ให้ติดอยู่ให้ไม่ทําให้เราไม่สามารถเล็ดลอดออกมาปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถออกมารักษาศีลมาภาวนาได้เราก็จะติดอยู่กับการหาเงินพอได้เงินมาก็จะติดอยู่กับการใช้เงินติดอยู่กับการดูแลรักษาเงินวนอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองนี่ เราก็จะต้องแก้ปัญหาเวลาหาเงินมันไม่ใช่หามาแบบเดินไปหยิบขึ้นจากธนาคารออกมาได้กว่าจะได้มาสักบาทสิบบาทนี่ต้องเหนื่อยต้องทำงานทำการต้องแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอุปสรรคต่างๆกินเวลากินกินพลังงานของเราไปหมด ทำให้เราพอกลับมาบ้านก็ไม่มีกำลังที่จะนั่งสมาธิกันไม่มีกำลังที่จะสวดมนต์กันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังเทศฟังธรรมกันเพราะใจมันติดพันอยู่กับการแก้ปัญหากับการหาเงินหาทองให้มีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็ติดอยู่กับการคิดว่าจะใช้เงินอย่างไรดีจะซื้ออะไรดีจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะกินอะไรดีจะดื่มอะไรดี มันวนเวียนอยู่กับเรื่องเงินทองนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนหรอกอยันไม่มีเงินดีแล้วถ้าหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยถือว่าบุญตกงานเนี่ยถือว่าบุญอย่าไม่ตกงานก็โอ้ยเราเป็นอิสระแล้วเราไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องหาเงินแล้วเราไปบวชได้แล้วเนี่ยเราตกงานเนี่ยตกงานมาอยู่ปีหนึ่งมีเงินเหลืออยู่หกพันบาท พอสิ้นปีก็หมดแล้วปีหนึ่งใช้ไปไม่ถึงหกพันเลี้ยงเหลืออยู่นิดหน่อยแต่รู้แล้วว่าต้องบวชแล้วถ้าไม่บวชก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่บวชก็ต้องไปทางานแถ้าทำงานก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ยากแล้วไม่ทางานนั่งอยู่เฉยมันรักษาศีลง่ายจะตายไปแต่เวลาไปทำงานเดี๋ยวก็ต้องพูดโกหกบ้างเดี๋ยวก็ต้องโกงเวลาของเขาบ้าง ทักงานเกินไปหน่อยทักเที่ยงกว่าจะกลับมาทำงานก็นร อ, อไปต้องเกือบสองโมงอันนี้ก็โกงเวลาก็และถ้าไม่มีงานทำก็เลยไม่นักษาศีลได้มีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปได้ทั้งวันทั้งคืนเลยมีความสุขนี่แหละ ทางของพระพุธเจ้าเป็นทางแบบนี้ทางของพวกเราไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นทางของพระพุทเจ้าพวกเราก็เป็นพระอาหารหันต์กันไปหมดแล้วทุวันนี้พวกเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้แหละเป็นเปรตบ้างเป็นผีบ้างเป็นเดวัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างสลับกันไปขึ้นๆลงๆ ส่วนใหญ่ไม่ก็ได้เป็นพรมอะ่ะเพราะเป็นพรมยากนั่งสมาธิกันไม่ได้เนี่ยก็ยตัดไปเลยการที่จะเป็นพรมได้อย่างมากก็ได้เป็นเทพถ้าไดบุญสุนทานรักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้ทำบุญอยู่เรื่อยๆนี้ก็เป็นเทพได้ถ้าทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ก็จองตัว๋วไปเลยต้องการเป็นเดลิฉานชนันเลนไหนเี่ยเลือกเอาได้เลยเย หรือจะไปตลกไปตกงานลกคุ้มไหนก็เลือกเอาได้เลยจะเป็นเปรดแบบไหนก็ได้เลือกเอานี่แหละเรื่องของทางของพวกเราไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าถ้าทางของพระพุทธเจ้าก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคือผลที่จะเกิดจากการเดินตามทางของพระพุทธเจ้าโสดาปฏิมรรคโสบะโสดาปฏิผลสกิดาคามีมรรคสกิดาคามีผล อนาคามีมรกอนาคามีผลอรหตมรรคอรหตผลแล้วก็มิพ่านใหนที่สุดถ้าเราไปทางนี้ถ้าเราสละทรัพย์สมบัติยุติการหาสวางหาทรัพย์ยุติการหาความสุขจากการใช้ทรัพย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอีกต่อไปเราก็จะมีเวลารักษาศีลได้บริสุทธิ เราก็จะมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิปีกว่เวกอยู่ตามน้ำพังจเจริญสติทําใจให้สงบทําใจให้เป็นหนึ่งทําใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาฆ่าตัณหาได้อย่างง่ายดายเกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดมันไม่ดูไม่ฟังยังไม่ถึงเวลาก็จะไม่ดื่มไม่รับประทาน ต่นนี้มันก็จบไม่อยากมีอยากเป็นเป็นอะไรก็ได้เป็นเป็นตามความจริงตอนนี้เป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นแะไม่อยากให้เป็นมากไปกว่านี้ไม่เหมือนคนบางคนต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นกำนันต้องเป็นนายกเทศมนตรีนายกเมืองนายกอบจอบตสส รัฐมนตรีนายกประธานาธิบดีว่าไปเป็นแล้วมันเปลี่ยนแปเปลี่ยนแปลงจิตใจนี่ตงไหนจิตใจมันก็หิวเป็นเปรตเหมือนเดิมอยากเหมือนเดิมยิ่งอยากมากขึ้นมากกว่าเดิมเสียอันนี้แหละคือความหลงมันจะพาให้เราไปหาสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะอยู่เรื่อยๆเราจะถูกความหลงหลอกไปได้อย่างง่ายได้เผลอไม่ได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมสักครั้งสองครั้งเหมือนกับคนไม่ได้กินยาพเพราะเผลอไม่ได้กินยาสักสองครั้งสามครั้งเดี๋ยวโรค ก, กาเริบขึ้นมาแล้วความดันขึ้นแล้วเบาหวานขึ้นแล้วคนที่ต้องกินยาคุมความดันคุมเบาหวานพอไม่ได้กินสักครั้งนี่มันขึ้นเลยนี่ก็เหมือนกัน ถ้าไม่ได้เข้าหาธรรมะไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมที่เป็นอมงคลอย่างยิ่งเอพอไม่ได้ฟังปั๊บมันก็กลายเป็นอัปมงคลขึ้นมาทันทีะกิเลสตัณหาก็ออกมาวาดดูดลายกันอย่างเต็มที่ดูวัดของคูบาอาจารย์เวลาคูบาอาจารย์อยู่ในกิเลสตัณหามันหดหายไปหมดเลยพอท่านตายไปแล้วท่านผ่านไปแล้วนี่กิเลสมันโผล่มาท่าทุกช่องทุกทุกทางเลย <c oughs> คิดดูสิวยอำนาจของมันร้ายแรงขนาดไหนมันกลัวธรรมะอย่างเดียวนะตรงไหนมีธรรมะตอนนั้นกิเลสได้ก้าออกมาเพ่นพ่านนะแต่ตรงไหนไม่มีธรรมะมันออกมาเพ่นพ่านกันอย่างอย่างหน้าด้านเลยพูดเ่ายๆมันไม่กลัวเลยไม่มียางอายเลยเขาเรียกการเข้าหาธรรมะบ่อยๆจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้ปา์มจะได้ เบรกกิเลสตัณหาถ้าเราไม่ฟังตู้ฟังทําแล้วก็หลงหลงประเด็นหลงว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้รู้ว่าความจิตความสุขที่แท้จริงทรัพย์ที่แท้จริงเกิดจากการเสียสละจากการให้ทรัพย์ต่างๆภายนอกไป จากการสระละราชสมบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องสะละราชสมบัติถึงจะได้นิพพานสมบัติมาถ้าจะเอาทั้งสองอย่างเอาไม่ได้จะเอาทั้งทรัพย์ภายนอกเอาทั้งทรัพย์ภายในนี้ไม่ได้แต่ถ้าได้ทรพัรพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายนอกมันตามมาอีอย่างหนูตาดูดูทรัพย์ภายนอกันตามมาทองคําทั้งเท่าไหร่สิบสามตันเนี่ยทรัพย์ภายนอก ทรัพย์าภายในมีแล้วมันจะดูดทรัพย์ภายนอกมาเองอแต่ไม่มันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับเศษขยะดีๆนี่สําหรับผู้ที่มีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี้เป็นเหมือนเพชรนินจินดาทรัพย์ภายนอกเหมือนก้อนอิฐก้อนหินที่เขาใช้ก่อสร้างถนนหนทางต่างๆไม่มีความหมายอะไรสําหรับผู้ที่มีเพชรนินจินดา มันเขาให้เราเอาทัพย์ภายในเถิดถ้าได้ทัพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายนอกมันมาเองแล้วก็มาหรือไม่มาก็ไม่สําคัญเพราะมันไม่มีคุณค่าราคาอะไรสําหรับจิตใจแล้วจิตใจที่มีทรัพย์ภายในแล้วก็ไม่หิวไม่อยากได้อะไรแต่พูดเพียงแต่เปรียบเปรยให้เห็นว่า ถ้ามีทรัพย์ภายในแล้วมันก็จะมีทรัพภายนอกตามมายอย่างที่ในอนิสงของการรักษาศีลท่านก็บอกสี่เลยนะโภคทรัพย์ปทาศีลเป็นเหตุทำให้มีโภคทรัพยตตต์ต่างผู้ที่มีศีลมีมีทรัพย์ภายในก็จะดูดทรัพย์ภายนอกเข้ามาคนที่มีศีล น, นี่จะเป็นคนที่เขาไว้วางใจ เวลาจะจ้างคนมาทำงานเราจะจ้างคนมีสีลและคนไม่มีสินโดยเฉพาะคนที่จะมาดูแลทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเช่นจ้างทนายมาจ้างอานักบัญชีมาเราจะจ้างคนโกงหรือจะจ้างคนไม่โกงมาดูแลถ้าเราจ้างคนโกงเดี๋ยวมันก็โกงทรัพย์เราไปหมดเล เราก็จะจ้างคนที่เราไว้ใจได้เชื่อถือได้เป็นคนมีนมศรรินมีสัตว์คนมีศินมีสัตว์ก็เลยมีงานทํามีรายได้อันนี้แหละคือีิเลยนะโพกษษษษษษัสซัมปะทาศินเป็นเหตุที่ทําให้เกิดโภกัสซัพต่างๆขึ้นมาพราะจากศินนี่จะเป็นตัวคอยอคอยสกัดตัวความโลภความอยากต่างๆไม่ให้มัน ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและกับตนเองนั่นเองดังนั้นขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างทรัพย์ภายในเถอะอย่าไปสนใจกับทรัพย์ภายนอกเพราะมันเป็นทรัพย์ชั่วข่าวด้วยเดี๋ยวแก่ตายไปก็หมดแล้วไม่มีเวลาแก่เวลาทุกทรัพย์ภายนอกก็ช่วยดับความทุกข์ภายในใจไม่ได้ มีแต่ทราบภายในนี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ดัง น, นก็ขอให้เราพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยเพราะจะได้มีอะไรคอยสกิดใจคอยเตือนใจไม่ให้เราถูกความหลงหลอกเราไปทาบาปทากรรมไปสร้างภพสร้างชาติเหมือนกับการไปรับยาจากหมอทุก เวลาที่หมอนคนที่เป็นคนไข้ประจําที่ต้องไปรับายาคุมโรคภัยต่างๆถ้าไม่ไปรับยามากินเดี๋ยวโรคมันก็จะกำเริบขึ้นมาถ้าเราไม่หมัน่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวตันหาความอยากมันก็จะแผงลิ้นออกมาดัางนั้นก็อยู่ที่ตัวเราที่จะต้องคอยควบคุมบังคับตัวเราเอง ไม่มีใครจะมาบังคับตัวเราได้เพราะเราไม่ชอบให้คนอื่นมาบังคับเราอยู่แล้วเราต้องบังคับตัวเราเองเราต้องเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการบังคับตัวเราให้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติไปยามฟังเทศอยู่เรื่อยๆแล้วจะเกิดกำลังกิตกำลังใจเวลาครูบาอาจารย์เรียกประชุมแต่ละครั้งนี้พอฟังเสร็จกลับมานี่จะมีกำลังวางชา มาเดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงจนดึกบางทีไม่นอนเลยก็มีเพราะว่ารถของธรรมนี่มันมันมีพลังมากแต่เวลาไหนที่ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมพอหัวค่มหน่อยก็จะนอนแล้วจิตใจมันไม่มีเชือ้อมันไม่มีน้ำของธรรมมาหล่อเลี้ยงมันเลยไม่มีกำลังใจกันกรูบาอาจารย์เป็นถึงพยายามเรียกประชุมอยู่เรื่อยๆ สมัยที่หลวงตาท่านแข็งแรงไม่มีภารกิจมากนี่ท่านจะเรียกประชุมทำทุกห้าวันหกวันนี่ท่านจะเรียกประชุมทำเรียกมาแล้วก็เทศให้ฟังถึงถึงคุณตมโทดของธรรมะของคุณของธรรมะโทษของกิเลสอันนี้สงที่จะได้รับจากการาทำปฏิบัติธรรมอันนี้สงที่จะไม่ได้รับท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรม ท่านก็เล่าให้ฟังเล่าถึงวิธีของท่านชีวิตของท่านว่าท่านเป็นอย่างไรท่านต้องตะเกียกตะกายอย่างไรต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆอย่างไรฟั mm hmm. งแล้วมันก็ทําให้เราเกิดกําลังจิตกําลังใจขึ้นมา mm hmm. ที่จะปฏิบัติตาม mm hmm. แล้วก็ได้ได้ข้อคิดได้ได้วิธีการปฏิบัติ ด, ด้วย สิ่งใดที่เรายังไม่เคยปฏิบัติเพราะท่านพูดเราก็ลองเอาไปปฏิบัติดูพอปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ผลได้ประโยชน์ขึ้นมาอันนี้แหละคืออ น, นิสงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมอย่างสม่ำเสมอหลังในพระมงคอลสูตรที่ทรงตรัสไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวนัค์เอตัมมังกาลมุตตะมัง การฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นก็ฟังธรรมบังคับตัวเราให้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วก็เอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติมันจะริญสติมาภาวนาทําใจให้สงบมาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกขังเป็นอนัตตา ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่เราจะไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ต้องดูอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดราบก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญก็สุขเวลาเสื่อมก็ทุกข์อนัตตาก็คือไปสั่งมันไม่ได้ไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้ให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้เี่ย ยศก็แบบเดียวกันสรรเสริญก็แบบเดียวกันความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยกายที่ได้เสกสัมผัสรูปเสียงกยลิ่นรสผวดทพะก็เช่นเดียวกันจะสั่งให้มันให้ความสุขเราอย่างเดียวไม่ได้คนคนเดียวที่ให้ความสุขกับเราวันดีคืนดกีก็พิกกลับมาด่าเราว่าเราก็ได้ให้ความทุกข์กับเราก็ได้เี่ยอถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้ ถอนความอยากไม่อยากจะเข้าหาเพราะเป็นการเข้าหาความทุกข์นั่นเองเราไม่เห็นความทุกข์กันเรามักจะมองแต่ด้านของความสุขโอ้ได้มาแล้วได้เงินจะได้ไปเที่ยวได้ใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อของอยากจะกินอยากจะดื่มอะไรก็ทําได้หมดทุกอย่างแต่ไม่คิดถึงเวลาบรรลหมดจะทํำยังไงได้ตําแหน่งก็ดีอกดีใจเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตพอถูกปวดนี้ก็ หน้าคว่ำกันไปหมดไม่มีการจัดเรียงปอบใจกันเวลาเขาสรรเสริญเว่าหน้าบานไปหมดนะพอโดนเขาด่าเท่าไหร่นี่หน้าเละเลยหน้าคว่ำเลยนี่หลเราไม่เห็นส่วนที่มันเสื่อมเราไม่เห็นอันนี้จังมันมีขึ้นก็ต้องมีลงเวลามันลงมันถึงป็รทุกขังแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตา จะให้มันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยคือวิธีพิจารณานี้จังทุกขังอนัตตากับทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่เราอยากจะได้เพื่อเราจะได้ไม่อยากได้พอเรารู้ว่ามันเป็นอุจจาระเราอยากจะได้ไหมอย่างอาหารเราเห็นเนี่ยอยู่ในจานเนี่ยเราก็อยากจะกินกันใช่ไหมแต่มันกินแล้วมันจะกลายเป็นอะไรไปถ้าคิดว่ามันเป็นอุจจาระเราอยากจะได้ไหรือเปล่า เวลาหิวอาหารมากๆหัดคิดว่ามันเป็นอุจจาระดูมันจะได้ไม่อยากกินเงนนีคนที่อยากจะลดน้ําหนักให้คิดอย่างเนี้ยรับรองได้เดี๋ยวก็ลดได้อย่างสบายไม่ต้องไปวิ่งไปเต้นให้มันเหนื่อยยากอะไรแบบนีเ้เป็นนึกถึงอุจจาระทุกครั้งที่เวลาจะกินกําลังกินอะไรเใช่ไหมแค่นี้แหละมันก็จะตัดความอยากได้ แต่เราไม่เห็นมันเรามักจะเห็นว่ามันโอ้โหมันอาหารทิปอาหารเลิศ ก, <c oughs> กินเท่าไหร่ก็ไม่พออิ่มแล้วยังบังคับกินมันตออ่อไปอีกแล้วก็พิษภัยก็ตามมาใช่ไหมโรค ก, ก็โรคภัยใข้เจ็บก็ตามมาหุ่นสวยๆงามๆก็หายไป <c oughs> กลายเป็นตุ่มเดินได้ <c oughs> อ, อวันนี้ไม่มีการถามปัญหาเลยมีคำถามจากทางเ c e b o o k ครับพระอาจารย์อ่าเข้ามา <c oughs> ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b o o k พระอาจารย์สุชาติอลพิชาโตนะครับอ่าจากคุณกุตุมานะครับข้อที่หนึ่ง แต่ก่อนลูกจากเจริญสติโดยการกําหนดรู้อริยบทย่อยของกายและนั่งสมาธิโดยการภาวนาพุโทโธจนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่สักระยะนานพอสมควรจําไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงเกิดภาวะวูบเหมือนกําลังตกเหวรู้สึกกลัวจึงออกจากสมาธิและกัวจะนั่งต่อไปหลังๆนั่งได้เพียงครึ่งชั่วโมง ก็รู้สึกอยากออกจากสมาธินั่งไม่ได้แล้วไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรปัจจุบันได้แต่เจริญสติโดยการกำหนดรู้อริยบทย่อยอย่างเดียวและอาศัยฟังเทศพระอาจารย์เพราะความกลัวเวลาที่มันจะวูบกลัวว่าจะเป็นเหมือนกับหน้ามืดสลบสลายหรือเป็นอะไรไปม ความกลัวนี้มันก็เลยจะทำให้ไม่กล้าที่จะนั่งสมาธิต่อไปแต่ความจริงการที่จิตมันจะวูบเนี่ยมันจะมันจะเข้าสู่ความสงบพอมันวูบแล้วมันจะสบายมันไม่เป็นอะไรหรอกมันจะสุขจะสบายจ ะ, จะนิ่งจะเบาจะขึ้นสวรรค์ดไม่ต้องไปกลัวอย่าไปสนใจมันจะวูบไม่วูบขอให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ภาวนาก็แล้วกัน อยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปอยู่กับลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีหลายรูปแบบด้วยกันบางทีเกิดขนลุกซาขึ้นมาน้ําตาไหลเกิดแสงสว่างขึ้นมาอะไรต่างๆเหล่านี้มันยังไม่ใช่เป็นผลสุดท้ายที่เราต้องการผลสุดท้ายก็คืออยากจะให้มันวูบแล้วก็นิ่งสบาย เหมือนยกภูเขาออกจากอกไปเบา อ, อกเบาใจเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นถ้ายังไม่ถึงตอนนั้นก็ให้อยู่กับการภาวนาต่อไปอยู่กับพุทโธต่อไปอยู่กับลมหายใจต่อไปไม่ต้องไปกลัวเรื่องวูบเรื่องวูบนี้ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นพิษเป็นภัยหรือบางคนดูลมหายใจก็ ดูปัญญามั่งรู้สึกว่าลมหายใจหายไปก็ตกใจกลัวกลัวว่าไม่มีลมหายใจแล้วจะตายไม่ตายหรอกลมมันละเอียดมันละเอียดจนที่เราไม่สามารถที่จะจับนมได้ก็อยู่กับความว่างไปอยู่กับการไม่มีลมไปให้สักแต่ว่ารู้ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบเข้าสู่ความสงบเองอนี่คือการเข้าของ เข้าเข้าสู่สมาธิของใจไม่มีอะไรไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิกันมีแต่จะบรรลุมรรคผลนิพพานกันจากการนั่งสมาธิเนีน่อย่าไปกลัวขอให้เราภาวนาไปทำใจไม่รู้ไม่ชีถ่ถึงผลที่จะเกิดขึ้นมันจะวูบ ก, ก็ปล่อยมันวูดไปอย่าไปเกง่งอย่าไปเลงอย่าไปคาด ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือผูกใจเราก็อยู่กับสิ่งนั้นไปแล้วผลมันเกิดขึ้นมาก็ปล่อยมันเกิดขึ้นไปอ่านี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับมีอยู่วันหนึ่งขณะฟังธรรมของพระอาจารย์พระอาจารย์พูดถึงเรื่องพิจารณากายแยกออกให้เห็นตามความเป็นจริง ว่ามีคิ้วผมหนังเอ็นกระดูกพอคิดตามก็เห็นภาพตัวเราแยกออกตามเสียงพระอาจารย์เวแบๆบแบบแล้วจูๆ่ๆมันก็รวมเข้ารวมออกเป็นภาพวูบขึ้นมาในหัวไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเรากำลังขาดสติหลงคิดหรือเปล่าคือถ้ามันเกิดอะไรก็อย่าไปอย่าไปอยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรเลย ขอให้รู้สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แล้วกันแล้วก็ปล่อยวางมันอย่าไปแบกมันอย่าไปสนใจมันนอกจากสิ่งที่เราเห็นนี้มันสามารถเอามาทำเป็นประโยชน์ได้เราก็เอามาพิจารณาต่อเช่นถ้าเห็นเราร่างกายของเรานี้เป็นเพียงชิ้นส่วนต่ตางๆเป็นอาการสาสิบสองไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในอาการสารสิบสองเหล่านี้ ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็เอาการเห็นแบบนี้มาเจริญต่อไปเรื่อยๆให้มันติดตาติดใจให้มันฝังอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของเราจนเรามองร่างกายทีไรก็มองว่ามันเป็นเพียงอาการ32เท่านั้นมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอันนี้คือการเอาสิ่งที่เราได้เห็นมาทำประโยชน์ แต่สิ่งที่เราได้เห็นในนาการนั่งสมาธิแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ตรงมันว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดแล้วมันก็ดับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันเราก็จะไม่ถูกถ้าเราไปสงสัยว่ามันเป็นอะไรเกิดมาจากอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้ยันอะไรเกิดขึ้นในการภาวนาถ้ามันไม่มีประโยชน์ ในด้านของการมาตัดตันหาดับความหลงก็โยนทิ้งไปรับรู้แล้วก็ปล่อยวางไปปล่อยมันผ่านไปต่อไปในภายภาคหน้าถ้าจิตเรามีพลังมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นสิ่งที่เราเคยเห็นมานี้อาจจะมาใช้เป็นประโยชน์ได้ในภายหลังก็ได้เราก็ค่อยเอามาใช้มันถ้าตอนนี้ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็อย่าไปแบกมันเหมือนกับเราเดินไปตามถนน เราเห็นของเรียร่าดต่างๆเราก็ดูว่าของอันไหนเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็หยิบเอามาอันไหนที่เราใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอามาเช่นบางทีคนที่เขาไปเก็บของที่กองขยะนี้เขาก็เลือกขยะกันขยะบางอย่างก็เอามาทําประโยชน์ได้เอามาขายได้เขาก็เก็บมาขยะที่เขาเอามาทําประโยชน์ไม่ได้เขาก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นของที่เราเห็นใน สิ่งที่เราเห็นในขณะที่เรานั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับของที่อยู่ในกองขยะนี่เราก็ต้องรู้จักแยกแยะว่าอันไหนเอามาใช้เป็นประโยชน์กับการเจริญวิปัสสนาได้ก็เอามาอันไหนที่เอามาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์กลับมาทำให้เป็นภาระทำให้วิตกกังวลสงสัยก็อย่าเอามาให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆคือท น, นะคะที่าจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะ แต่ยถงว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วแล้วเราเราเห็นร่างกายเรานี่เป็นโครงกระดูกอย่างนี้นะแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้สงสั ย, ยแต่ว่าจิตเ่ยมันแบบบอกว่านี่เป็นดีนะัแบบนั้นคือเรานึกเอาหรือว่าก็ถ้าเห็นคอกระดูกนี่มันก็มีสองนัยยะด้วยกันคือมองให้เห็นว่าร่างกายนี่มันน่าเกลียดมันไม่สวยงามมัน ม, มีโครงกระดูกอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง เมื่อเวลาที่เราเห็นร่างกายที่สวยงามเราจะได้เอาโครงกระดูกนี้มายืนยันว่ามันไม่สวยงามมันก็จะได้ดับการมาลมได้หรือว่าเอามาใช้ว่าต่อไปร่างกายมันก็จะเหลือ แ, แค่โครงกระดูกเวลาตายไปแล้วก็จะเหลือแต่เศษกระดูกเพื่อเพื่อจะได้ปร่งว่าร่างกายในที่สุดมันก็ต้องตายไป เพื่อจะได้ไม่เกิดความกลัวตายขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่เกิดการมาลมขึ้นมาเราก็ต้องเอามาพิจารณาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เช่นเวลาเกิดการมาลมเห็นคนที่เราอยากจะเสพร่วมเสบการมาลมด้วยก็ต้องเห็นโครงกระดูกของเขาพอเห็นโครงกระดูกของเขาแล้วเราก็จะได้ถอยออกมาลองจะไปนอนกับผีเนี่ยว่ะไม่เห็นเก่ือไปนอนกับนางฟ้าเทวดา แต่พอเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้ภู้เห็นลำไส้นี่มันคิดว่ามันก็กระสือดีๆนี่ใช่ไหมอ่ต้องอย่างนี้มันถึงจะได้ไประโยชน์ขณะที่เราเห็นในสมาธินั้นะมันเป็นเพียงหนังตัวอย่างอมันเป็นตัวที่จุดชนวนให้เราจเจริญปัญญาต่อไปเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้กําจัดปัญหาความอยากนี่เอ การเห็นโครงกระดูกครับอาจารย์ไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อใช่ไหมครับแต่เห็นด้วยความรู้สึกได้ไหครับกอเวลานั่งสมาธิบางทีมันก็ปรากฏเป็นภาพขึ้นมาก็ได้เวลานอนหลับฝันไปเราก็เห็นเวลาเราหลับเวลานอนหลับฝันไปนอนลืมตาเปล่าเวลาเราฝันเนี่ยแม้เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆเวลาเราฝันเนี่ยไปนู่นมานี่ไปเจอคนนั่นคนนี้ได้เงินได้ทองเสียเงินเสียทอง มันก็หลับตาฝันเนอะมันไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อมันก็เห็นด้วยตาในนะครับเพน้นตาในเนี่ยมันมันล้ายกว่าตานอกตานอกเราปิดแล้วก็ไม่เห็นแล้วแต่นี่ปิดตาแล้วมันยังเห็นอยู่เนี่ยถ้าชอบของสวยๆงานขนาดปิดตาแล้วมันก็ยังเห็นอยู่ขนาดไม่เจอกันก็ยังเห็นอยู่เนี่ยนี่เราต้องเอาภาพภาพต่อต้านมา สร้างมันขึ้นมามาต่อต้านกับภาพที่มันทําให้เราเกิดตัณหาความอยากก็นํางเอาภาพตรงกันข้ามต้องเอาภาพไม่สวยงามมาดูบ้างพอเห็นภาพไม่สวยงามแล้วมันก็จะลบล้างการมาตัณหาความอยากในการได้ถ้าเราไปมองหรือไปนึกถึงภาพสวยงามมันก็จะเกิดการมันลมขึ้นมาได้หลับตาก็ยังเกิดการมันลมได้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันยังเกิดการมันลมได้เนย นี่คือตาในไม่ใช่ตานอกที่เราปฏิบัตินี้ก็เพื่อสร้างตาในแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะจกักขุ่ก็คือตาในนี่เองตาที่จะมาลบล้างตาของกิเลสตาของกิเลสจะเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาจะเห็นว่าเป็นสุภาพสวยงามตาก็ต้องเอาตาธรรมะมาแก้มต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภาพ เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสุภาพก า, ากตัญหาก็จะหมดไปดับไปปัญหาหมดแล้วใช่ไม้มหมดแล้วครับถ้าไม่มีใครมีปัญหาก็คิดว่าเราแยกกันกลับไปดีพอสมควรแก่เวลา ขอให้เจริญในทํา ย, ยิ่ยงขึ้นไปเถอเดี๋ยวใครก่อนจับมีปฏิทินพระจารุชาตินะครับใครจะรับเข้ามารับได้เลยนะครับ้าบตาาอห